กานจงใจทําลายพระพุทธศาสนาที่ไม่สำเร็จผลน่าจะเกิดผลไม่ดีแก่ผู้มุ่งทําร้ายน้อยกว่าผู้ไม่ได้เจตนาทําลายแต่ประพฤติตนเช่นเจตนาทําลายบุคคลประเภทหลังนี้โดยเฉพาะที่นับถือพระพุทธศาสนากล่าวได้ว่าเป็นผู้ทากรรมไม่ดีต่อพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้น ทรงประครับประคองมาโดยมีพุทธบริษัทที่ดีรับมาประครับประคองต่ออย่างถือเป็นสมบัติล้ำค่าไม่มีพระพุทธองค์แล้วพระพุทธศาสนาคือตัวแทนพระพุทธองค์ผู้เป็นสมาชิกของบริษัทสในพระพุทธศาสนาแม้ทำตนให้เศร้าหมองด้วยการประพฤติผิดศีลผิดธรรมผิดวินัย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 พระเทวทัตก็มีได้ถูกธรณีสูบทันทีที่ทำร้ายพระพุทธเจ้าพระเทวทัตก็มีได้ถูกธรณีสูบทันทีที่ทำร้ายพระพุทธเจ้าเมื่อถึงเวลากรรมตามทันพระเทวทัต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 เมื่อต้องเป็นไปตามอำนาจอันยิ่งใหญ่ของกรรมแม่พ่อมีลูกรักเพียงดวงใจแม้ลูกนั้นไม่ใช่ลูกที่ดีมิใช่ลูกที่มีคุณประโยชน์แก่ใครเมื่อใดเขาถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสหรือถึงเสียชีวิต เมื่อนั้นก็เหมือนทำร้ายแม่พ่อหนักหนาเช่นนั้นด้วยพระพุทธศาสนาเป็นดวงพระหารุไทัยของพระพุทธเจ้าส่งได้มาด้วยพระมหากรุณาเปี่ยมพระพุทธหารุไทัยเปรียบเป็นพระพุทธบุตรพระพุทธศาสนาก็เป็นพระพุทธบุตรที่ประเสริฐเลิศล้ำหาผู้เปรียบเสมอมิได้มีคุณประโยชน์กว้างใหญ่ไพศาลประสาจากขอบเขต และยั่งยืนยาวนานอยู่ทุกการเวลาเป็นที่รักที่เท่าทุนสูงส่งนักหนาของพรมเทพมนุษย์สัตว์เสมอกันกับองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระผู้ทรงสถาปนาพระพุทธศาสนาไว้แทนพระองค์อย่าเป็นคนเบาปัญญาพึงปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาให้รอบครอบมิฉะนั้น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 คือคนดีมีธรรมะนี้หรือธรรมะนี้ทำให้คนเป็นคนดีคือคนใดมีธรรมะคือความกะตันยูกตะเวทีคนนั้นก็คือคนดีนั่นเองในด้านตรงกันข้ามคนใดไม่กะตันยูกตะเวทีคนนั้นไม่ใช่คนดีเชิญสำรวจตนเองให้ทุกคน ให้เห็นใจตนอย่างชัดเจนตรงตามความจริงว่ามีความกระตันยูกะตะเวทีหรือไม่แล้วก็จะได้รู้จักตนเองว่าเป็นคนดีหรือไม่ไม่มีกระตันยูกระตะเวทีไม่เป็นคนดีจริงๆอย่าสงสัยแต่จงเร่งอบรมใจตนเองให้มีกระตันยูกระตะเวทิตาธรรมให้จงได้อย่าให้ผ่านชีวิตนี้ไปสู่ชีวิตหน้าที่ยาวนาน